พระบัญญัติหนก็ภิกษุณีใดบวชให้สิกขามนาผู้คุบคีกับชายวควบคีกับเด็กดูร้ายผู้ทําชายให้ระทมโศกต้องอบัตป่าจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ